ก็กเรากำลังล้างโลกกำลัาทำลายโลกก็มีนักคณิตศาสาร์โลกคำนวณดีว่าถ้ามนมุษย์เราแค่ชีวิตแบบนี้นมันจะถึงจุดที่จะไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ในทางไม่ไม่ตุ้อๆ่ว่าะธรรมชาติสิง่งการก็ถูกทำลายแล้วก็กลับมาทำลายมนุษย์เขาจะทำให้บรรยากาศของมนุษย์เดียวนี้ แม่สามาเขอยู่แหลยคือความศึกษาโลกเองความจึกษาโลกเป็นความศึท ก, ก ท, ที่จะมาท ำ, ล า, ทำลาย ท, กกทาลายพวกเรากาความจุดทางธรรม น, นีไม่ได้ทำลานสมัยพระพุทธเจ้าอยู่เมื่2500อสองพน้า้กว่าี จนมาถึงที่เรามีมีความร้ทาง ว, วาิทยาเาสตร์โลกนี้นอยู่อย่างสมบูรณ์ป่าไม้ก็สมบูรณ์ในนังสือวองพระอาจารย์ชื่อแท้เขาบอกว่าสมัยที่หลวงปู่มั่นออกปฏิบัติสมัยนั้นประชากรในบริเทศไท้กมีแค่สิบแปล้านคนป่าไม้ในประเทศก็มีมาก แต่วันนี้ประชากรมีมากถึงเจ็ิล้านสามารถที้จะรหลือไม่มากนะแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยเพราวิถีทีวิตของชาวมันเป็นวิถีที่วิถีธรรมดาธรรมาและทรัพยากรเรากุดเจะน้ำมันขุดเจะหุห้นทางหุ้นขุดเจแะแร่ธาตุตไา น้วก็มาผลดตนักก็สร้างคนภาวะต่างๆทางอากาศทางนาำทางดินตอนนี้ก็เห็นตัวอย่างในรัเทศนี่ถัวนะพอเกิดไฟขึ้นมามันก็เป็นเหมือนเป็นเนเหมือนลูกโซ่เกิดขันดินไว้เข้าไปทางให้หล่อสายท้า มีเครือข่ายทางเสียงหนะาหาลังสีออกมาประชาชรที่อยู่ในบริเวณ20กิโลเมตรก็ถูกยกยกออกไปอยู่ไม่ได้้ถ้าอยู่ไปก็ต้องตายดึนนะลนอ่อเบอร์้นก็ล่าล่าทำเกษตรกรรมได้ดดตรวจเชื่มาไม่ได้เพราะมันจะเปื้อนด้วยรังสี ถ้ารับประทานเข้าไปมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะทําลายชีวิตของผู้ที่รับประทานแต่มือเรื่องเราก็ยังไม่ยอมสปลี่ยวิถีทางก็ยังอยากเปมีไฟฟ้าใช่ไหมอยากเป็มีเครื่องจักรกากจะมีเครื่องอะไรทุกชนิดอำนวยความสะดวกทางที่เกลียดของจัวแรงทางไหน แล้วไม่ได้ะได้แต่ความทุกข์เมื่อวันก็มีเองีเขามาเขาก็ไม้ถามก็อยากจมาเราพูดทนยายว่าฟังเขาก็ไม่เว่าความแรแยงไม่ได้ เราบอกว่าอย่าไปอาศัยเงินทางซื้อความสุดเพราะว่ามันทําให้เรามีเครื่องชุกชุบ ก, กับการหาเงินชุบ ก, กับการใช้เงินชุบ ก, กับการรักษาเงินชุบ ก, กับการถาเงินใช่แล้วก็เลยบอกเลี้ยงผมว่าต้องให้ใช้เงินผมว่าสอนลูกไปเงินึ่งงไม่ได้ ทำ ง, งานผมก็จะให้เขาออกจากโงงานเป็นโรงงานนะครับแล้วเขาอยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกเราก็ค่อยๆาำไปไค่อยๆลดไปวางแขนยู่เป็นชีวิตเปลี่ยนเพียมชีวิตของชีวิตเราจากการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการหากาเงเราจะมาใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือ ในการหาางสเสรเช่นตอนนี้เรามีเงินเหลือใช้เราก็เอาไปทำอาให้ทาแล้วเราก็ตัดการใช้ท อ, องกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเอหาใช้เนทองเพื่อความสุขทางด้า น, น, นเทิงให้เราเราเอาเวลาที่เราไปหาความสุขกับ เครื่องแต่กายมาหาความสุขธรรมะบ้างกับการปฏิบัติธรรมทางเทศทางธรรม่ายพักเงินนัสมาธิกันเอาลามามาทำทางนี้ทางนี้ไม่ต้องเสียงเ น, นั่งสมาธิไม่ต้องเสียงเลทางเทศทางธรรมไม่ต้องเสียงเลแล้วก็จะประหยัดงินทองได้ เงินทางที yeah ่เราคิดว่าเราต้องมีมากมายนี Golden> ้ก็จะไม่ไม่ไม um ่ไม่ต้องมีมากมาอย่างที่คิดเพรู้ว่าความจําเป็นที่เราต้องแชเงินทางนี้มันเพียงเสี้ยวเดียวกับเงินทางที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เงินทางที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้หมดไปกับสิ่งที่จำเป็นมันหมดไปกับับความหลความินเงา ของติดอยู่กหาคือการหาความสุขในรูปแบบต่างๆทางการบริโนคหอินการพยายามที่ไล่เขาฟังแต่เราก็รู้สึว่าเขาก็คงจะยังไม่เคยคิดว่านี่คือธรรมะพขที่เรามาทํามาธรรมะก็เพื่อที่จะได้กับไปร่ำรวยขึ้น ไ, ได้ทํามาหาเียนได้เงินทองมากขึ้น เแรงทางนี่มันไม่ได้เป็นเป็นความเจ็มันเป็นความทุกข์ก็ทุกอย่างเนี่ยในโลกนี่มันเป็นความทุกข์นะมันเป็นยาพิษสษําหรับจิตใจเราถึงต้องร้องโหยร้องไห้บ่นกันทุกวันมีแต่เรื่องบ่นเท่านั้นแหะเธอท้านก็มีเรื่องบนแต่ดูน้ำเสียงถึงก็มีแต่เรื่องบน่น บนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเรากินยาพิษกันคนที่เขามีธรรมะเขาไม่เบื่อเพราะธรรมะนี้เป็นอาหารทําให้เกิดความอิ่มน้ำสำราญใจเกิดความพอเกิดความมั่พอเกิดความความไม่รู้สึกหวัดกลัวกับสิ่งต่าง เพราะวาธะนี่ทาให้เรารู้จักตัวของเราเองตอนนี้เราไม่รู้จักตัวของเราเองเราหลงเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราขอราแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรายองเราเอนถามว่าถ้ารนนะเราโยกขึ้นไปนะเราบองกว่าเราโยกขึ้นไปเตัว เรื่องว่าพวกเราอายุเท่าันหมทุกคนกคน็เราก็ปลใจใจของพวกเรานี้ก็มีอายุเท่าเท่ากันไม่มีใครแตกออกไปใจของเราทุกคนมันมีมาอยู่ตั้งแต่นั่นเดินย่านานก็ไม่มีวันหมดไปแต่ว่าใจของเรานี่มีความหลงมาหล่อให้เราไปไปยึด ไปได้ร่างกายมาแล้วก็ไปคิดเรื่อ ร, ร่างกายนี้เป็นตัวเราเราก็นับอายุร่างกายว่าเป็นอายุของเราซึ่พวกเราก็เกิดไม่คล้องกันใครเกิดก่อนก็ อ, อายุมากกว่าใครเกิดทีหลังก็ อ, อายุน้อยกว่าที่อายุของร่างกายนี้ต่างกันในอายุของใจดวงนี้มันไม่ต่างกันมันเท่ากันหมด ตางกันเป็นที่ว่ามีความสุขหีือมีความทุกข์มากน้อยเพราะนั้นผู้ตางกันถ้ามีธรรมะมากก็ความทุกข์ก็จะมีนอ้อยความสุขก็จะมีมากถ้ามีความหลงมากก็จะมีความทุกข์มากมีความสุขนอ้อยไม่ได้ความสุขความทุกขของใจจริงไม่ได้อยู่ที่ว่า มีเงินมากไม่มีเงินน้อยมีตำแหน่งสูงหรือมีตำแหน่งต่ำแต่ความหลงทําให้ใจจะคิดว่ามีเงินมากแล้วจะมีความสุขมากมีตำแหน่งสูงจะมีความสุขมากมีบริษัทบริวารคอยยกย่องสรรเสริญเยียวยาจะมีทางสุขมาก มีรูปเสียงกินนก่นวัชพืชต่างๆนำบำรุงนำเร้าตาหูจมูกยิ่มการีแล้วจะมีผ่าตัดนี่เป็นความหลงใงนั้นเพราะว่ามันเป็นยาพิษมันไม่ใช่เป็นอาหารของจจได้า ม, ามากเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็แสลงใจเพราะสร้างความกดดันให้แก่จกิตใจ ทางเพืต่างๆ ก, ก็เพื่อกับสิงเหล่านี้แหละไม่ได้เพื่อกับอะไระที่วันนี้ที่เรามีา ท, ท, ทางเพื่อกันเพื่อเ่ทํางานเพื่อเรื่องงานก็เพราะอะไรเ็เพราะเรื่องรายได้าเราได้ไม่เข้าเป้าอ น, นี้ก็เกิดกดารเพื่อขึ้นมาเพื่อกับคนก็คือใครเพื่อตาไม่ได้มีความเห็นไม่ตรงกันมีการกระทําที่ขัดแย้งกัน ถ้าเกิดทางเพียรเพิเราเพียรได้กับทุกเรื่องถ้าเราไปยื้กับเรื่องต่างๆเพราะเรื่องต่างๆนี่มันจะไม่เป็นไปตามความต้องการของเราไปเสมอมันจะต้องขับขืนขัดใจเราในบางครั้งบางเวลาพอเวลาที่มันขัดใจเราเวลานั้นใจเราก็เกิดทางเพศยรขึ้นม เพราเราไม่เคยพิจรารณาธรรมชาติของสีงยงนี้เราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจ์มันเป็นทุกข์ทุกท่านก็บอกแล้วแต่ว่าเครียดทวามเครียดยู่ก็คือควางทุกข์ที่ว่าทุกข์นี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าสิ่งที่เราไปยุ่งด้วยมันเป็นทุกมันเป็นทุกข์แต่ใจเราไปเป็นทุกข์กับมันทุกข์ก็ความอยาก อยากให้มันเป็นตางความต้องการของเราแต่มันไม่สามารถที่จะเป็นกตางความต้องการของเราได้สอไปนครับอากาศแันนี้มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากจะให้มันเป็นไปแต่เราไม่สนใจมันเสีอยากเราปล่อยวางมันเราก็ไม่เครียดเราก็อยู่ของเราไปทำของเราไปตามตามมีตามเกิดของเรา ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเราก็ไม่เครียดกันเลยแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหยุดเนี่ยเราก็จะเครียดขึ้นมาในความเครียด น, นี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยความเครียด น, นี้อยู่ที่ใจแต่มันเครียดเพราะใจเราไปก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นท่านถึงเรียกว่าทุกข์ทัง ทุกขงังที่ทุกขรังก็เพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เทีย่ยงมันไม่เป็นไป ต, ตามตามตาถนาของเราเสมอไปมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหลายแล้วมันเป็นอ น, น, าานัตตาที่หมายความ่ากมันไม่ได้อยู่ภายใต้การทำสั่งของเราเราสั่งให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดตอนนี้เราอยากให้ผนหยุดตกมันไม่หยุดตก พรามันเป็นอำนามันไม่เย่อยู่ในการควบคุมบังคับของเรามันไม่เที่ยงก็คือเวลามันจะตกมันก็ตกเวลามันไม่ตกมันก็ไม่ตกมันตกแล้วมันก็อยุดพอมันหยุดตกแล้วเดี๋ยมันก็ตกลงมานี่คือาดไม่เที่ยงถ้าเราอยากให้มันตกในตลอดเวลาพอมันหยุดตกเราก็เที่ยงถ้าเราไม่อยากให้มันตกพอมันตก เราก็เกียดนี่งั้นเราต้เข้าใจว่าคําว่าพีร่รไม่คาว่าทุกข์ในตายนะั้นี่มันเป็นความทุกข์ในอริยสัจจิคือทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ใช่เป็นความทุกข์เพราะ ส, สิ่งนั้นมันมันมันเป็นมันเป็นทุกข์เช่นน่าตายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย มันก็เป็นทุกข์ันมีนทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนานันไม่ใช่เป็นทุกขในอริยสัจมันเป็นทุกขในขันเป็นเวทนาขันรับกับรูปประขันที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายนี้เดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็หายเจ็บมันก็อะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นสบมากเป็นทุกข้าไม่สดไม่ทุกขมาก อันนี้มันเป็นธรรมดาของร่างกายของเวทนาขังแต่ที่มันเป็นทุกขังอันนี้อจักนี้มันเกิดจากเวลาที่ใจเราไปยุ่งกับมันเป็นเวลาร่างกายไม่สบายใจก็ไม่สบายไปอีกชั้นหนึ่งคือไม่อยากไม่สบายนั่นเองไม่มีใครอยากให้มันเป็นเจ็บไายได้ส่วน พอเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาใจก็ปวดเหยียดขึ้นมาแล้วลำพางนึกทรมานใจาขึ้นมาเพราะอยากจะให้มันหายและอยากไม่ให้มันเป็นเท่านี้อันนี้มันเป็นทุกข์ในอริยสัจ้พราะนอริยสัจนี้แหละที่เราแก้ได้เราควกคุมได้เราทําให้มันหลักได้ทําให้มันเป็นนิโรธขึ้นมาได้ เราดับความเพียรในใจเราได้ถ้าเราปล่อยวางสิ่งที่เราไปเพียรด้วยหรือเราปล่อยให้มันเป็นตายตามเรี่ยงของมันมันจะเก็บไข้ได้ปวดถ้าปล่อยมันเสร็จสปเงินเดือนจะถูกตัดถ้าให้เขาตัดไปจะถูกไล่ออกจากงานถ้าให้ถ้าให้เขาไล่ไปถ้าเราไม่สามารถทำตามเป้าที่เขา ทำหน่อแให้เราทําได้เราไม่ต้องไปเพื่ออะไรเดี๋ยวมากก็แค่ออกคิดแค่นี้เถ้าเราไม่ใช้เงินจริงเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราจะไม่เหลือพอถ้าเราถูกไล่ออกจาานเพราะเราจะมีมันนสะสมได้มากพอเดือนเดือนที่เราหาเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเราใช้ในสิ่งที่จําเป็นจริงๆ เกีในเรื่องของปัจจัยสี่ทดเราได้ว่าเราไม่มีเงินหลายล้านเก็บไว้ในธนาคารเดือนออกนี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเาเรากินวันเดือนหนึ่งไม่ถี่ทางวันไม่ถึงร้อยก็อยู่ได้กินข้ า, าวระมืออยู่ดัชชะอยู่แบบนักภาวนานักปฏิ บ, บัติ เดือยเงินจ่ากินข้าวอะนี้แล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไราต้องใช้จริงๆมั น, นไม่มีหรอกนี่คือี่คือสิ่งที่จาเป็นต่อกานำเงิือแต่ที่เราหมดไปนั้นนาหมดไปกับกิกกกเลสคัาหาเสียมากกว่าต้องซื้อเอ้นื่องเดินชนิดน้ำมาเดินต้องซื้อขนมที่ห่อนั้นมากิน เราใช้น้ำข อ, องก็ใช้สบู่ต้องใช้อะไรต่า ง, างมากมายต่างๆนนี้แหละค่ะที่ทําให้เราต้องเครียดกับเรื่องของเองินทองเพราะเราต้องทํามาหากินเมื่อทํางานมันต้องมีมีการบังคับให้เราต้องทําให้ได้การได้ทานั้นทำนี้ถ้าเราเป็นลูกจ้า ง, งเขาทําไม่ได้ตามที่เขากําหนดไว้ เขาก็จะขู่เราหรือไม่ขู่ก็ไเราก็รู้ว่าถ้าบ ร, ริษัทขาดทุนนี้เขาก็ต้องลดพนักงานางลงไปเพราะเขาไม่มีเงินพอที่จะจ้างพนักงานได้นั่นเองเราก็เครียดว่าเราจะถูกเ้าไล่ออกหรือเปล่ามนเป็นเพราะว่าเราไปยึดติดกับเงินทอง ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับเราถ้าเรายึดติดกับธรรมะเป็นเครื่องมือให้ให้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราจะไม่เครียดเพราะธรรมะนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาอากาศมัโกโอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราสามารถใช้ธรรมะ มาสร้างความสุขให้กับเราได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีเงินน้อก็ไม่ต้องาทาทานเรายังมีธรรมะแรงอยูที่ให้ความสุขกับเราได้มีศีลนี่ก็เป็นธรรมะที่จะทำให้จิตใจของเรามีทามสุขได้มีความมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวกับผลที่เกิดจากการทำบาป พอเมื่อมีสีงก็ไม่ได้ทำบาปก็จะไม่มีความนิ่ต์กังวลกับวิบากรรมถ้ามีสมาธิก็จะมีแต่ควาสมสงบมีความสุขเย็นใจถ้ามีปัญญาก็าจะไม่มี ค, าา ว, าความเครียดกับเว่งาะก็ปัญญาจะตับจะเห็นว่าเป็นไตรนักทันธีจะเห็นว่าเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาแม่จะเห็นคุณค่าของการตับ ว่าตัดแล้วมันสบายกว่ายึดติดยึดติดแล้วทุกทรมานใจพอตับได้แล้วมันโล่มันเบามันสบายเพราะว่าความจริงของชีวิตในทุกๆเราก็ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปนั้นไปยึดติดทำไมยึดติดแล้วทุกทุกตัดดีกว่า เขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ให้เขาไปเราจะจากเขาก็จากกันถ้ายังอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแต่พร้อมที่จะแยกทางกันทุกเวลาเพราะในที่สุดก็ต้องแยกกันอยู่ดีถ้าเราพร้อมที่จะแยกแล้วเราจะแยกด้วยทางสุดถ้าเราไม่พร้อมนี่เราจะแยกกันด้วยทางเจ้าสุดเมือจันทุกทรมานใจ เพราะเราไม่ได้ศึกษาถึงธรรมชาติของตัวเราเราไม่รู้ว่าเราคืออะไรกันแน่เราเป็หลงขึ้นว่าเราคือร่างกายและเป็นหลงว่าความสุขของเราอยู่ที่การมีเงินซื้อเสียกันจ่ายมาบรรลุมวลเยือความอยากของเราอ น, นี้แหละเป็นความหลง เราต้องศึกษาให้รู้ว่าเราคือใจคือผู้รู้ผู้รู้นี้จะมีทางสุดก็ต่อเมื่อผู้รู้นี้สงบไม่ไม่วุ่นวายไม่ยึดติดไม่อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้แนละ้วเราก็จะได้รู้ว่างานของเรานี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ที่การทำใจของเราให้สงบ แล้วก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกายรักด้วยปัญญาด้วยการศึกษาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยนะี้เป็นกายรักทั้งนั้นตั้งแต่รากสำสำสลึกเสมอยูบเสียงติ้นลดขันห้าคือร่างกายเวทนาปัญญาสังขารยินญาณและจิตภาวะต่างๆที่มีอยู่ในจิต เป็นใจนับยาไปยึดยาไปติดฝ่อยให้เขาเป็นตายตามเรื่องของเขาแล้วใจของเราจะสงบจะไม่วุ่นวายจะไม่เครียดจากอุบายทั้งสิ้นนี่แหละคืองานที่พระพุทธเจ้าและพระสาวลทข้งหลายได้ทำกัน แล้วท่านก็ได้เอางานนี้มาแบ่งกันให้พวกเราเป็นงานที่พวกเราสามารถทำได้ด้วยกันทุกคนพวกเรามีความสามารถพอที่จะทำได้อที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นถ้าเราทำมันก็จะ เก้าหน้าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทํามันก็เหมือนกับยืนอยู่กับที่มันก็จะไม่ก้าวหน้าเราะงัเราต้องกลับมาสำรวจบทีตัวเราว่าเราทําหรือไม่ได้ทำํำทำมากหรือทำํำน้อยถ้าเรายังไม่ได้ทําเราก็ต้องเริ่มทำํำถ้ายังไม่ได้นั่งสมาธิกันเป็นกิจลักษณะก็ต้องมานั่งสมาธิกันให้เป็นกิจรกรรมสนุ เราจัดสมาธิก็ต้องมาเดินจงกรมกันมาพิจารณาตายรักกันถ้าเราทําอยู่แล้วเราก็ต้องทําให้มันมากขึ้นต้องเอาเวลาที่เราไปทำอย่างอื่มนี้ทวงเวลานี้มาให้มอบให้กับการปฏิบัติเพิ่มงานอยอยือย่มนี้อย่ากไปทําถ้าไม่จำเป็นจริงๆเอามาทํำทำท ำ, ทำนี้ให้ห เขาทำมากเท่าดมันงานนี้ก็จะเสร็จเร็ขึ้นท่านั้นถ้าทําน้อยมันก็จะเสร็จช้าและอาจจะไม่ทําการถ้าเกิดตายไปก่อนแล้วยังไม่ได้ได้ตั้งหลักตายตายนี้ก็กลัมาเกิดชาหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้ปกติหลักเพราะจะไม่มีใครมาคอยสอนเราคอยเรียนเราให้มาปกิบลัก ยกแว้นว่าเราได้ปฏิบัติถึงขั้นที่เราสามารถปฏิบัติไปได้เองไม่ต้องมีใครมาชักจูงมามาสอนอย่างนั้นก็ถือว่าเราปลอดภัยถ้าเราได้เข้าสู่กระแสของธรรมนะเข้าสู่กระแสของทางนมพพานได้ก็ไม่ต้องตำเลยนะจะมาเกิดอีกิทธิภาพ ก็จะปฏิบัติต่อโดยอัตนนมะเพราะมันติดเป็นวิ ส, สยัยใจวงานทำใจให้สงบงานตัดกีเลม่มันจะมันจะสังอยู่ในใจของเรามันจะรู้หน้าที่ของของตน ท, ทันทีเมื่อเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะจะทร ม, มาปฏิบัติต่อ ท, ทันทีงา น, นอื่นก็ทำเท่าที่จำเรัน แต่จะไม่หลงไปกับการหาเงินหาทองห า, หาลาภหายุหาสำลัเสริมหาความสุขทางการหุหน่นสมุทรหุ่นตาเราจะหาความสุขจากความสงบความสุขที่เกิดจากการตัิเลสปัญหามันก็จะเข้าไปเรื่อยๆโดยในที่สุดก็จะเสร็จงานนี้ดัง น, นั้นเราจึงอย่าประมาทนองใจ อย่าไปทิดว่าเราจะมีเวลาปฏิบัติเพราะทังนี้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราตอนนี้เรามีเวลาเราควรที่จะเอาเวลาที่มีค่านี้ที่ไม่แน่นอนนี้มาใช้กับงานที่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอย่าไปทำงานทีื่านะ้ น, น, น เป็นประโยชน์ชั่วคราวหรือเป็นความสุขชั่อคราวเรามาทํางานให้เป็นประโยชน์ถาวรเป็นความสุขที่ถาวรก็คืองานที่พระพุทธเจ้าได้ภาษาลงท่านได้บำเพมาได้ทํามาจนได้ถึงขั้นรู้สึกตามธรรมวจารยิยนคือได้ถึงที่ชื่อสุดแห่งงานนี้คือเสร็จงานนี้ ทำ ง, งานนี้มีขอผิดทำมีวันหมดมีวันหยุดมีวันเสร็จสิ้นไม่เหมือนทางโลกทําไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันสิ้นสุดก็จะมีงานใหม่มารออยู่เสมอเพราะอำนาจของความอยากมันจะทําให้อยู่ไม่เป็นสุดส่วนงานนี้แล้วให้อยู่เฉยๆถ้าวันของวันจะหยุดหยุการใจ ต้อ อ, อกปหางานหนักมาทำก่อนใท้งที่ไม่มีความเป็นมี เ, ง, เงินทังหรือกินเหลือใช้ไปจนถึงงานตายจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปหางานหนักมาทำ ก, ก่อนมพื่อทำใจเพื่อเงินตายเพอตอจกร่างกายเไม่ร่างและเพราะกรรมมาเกิดใหม่ก็จะมาทำ ง, งานแบบนี้ใหม่มันก็จะวนใจเวียนมายอยู่ีนไปตลอด แต่ถ้าทํางานทางธรรมะมีแล้วเมื่อถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วก็ mm hmm. จะไม่ทำงานอะไรต่อไปเขาจะไม่กลับมาเกิดกต่อไปนั่นเองเมื่ไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาทํางานต่างๆที่ต้องทำ mm hmm. เช่นเป็นเด็กก็ต้องเรียนหนังสือไปโรงเรียนพอาเรียนจบแล้ก็ต้องไปทาํางานหากงินให้ทีครอบครัว ก็ไปทํางานไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายตายไปก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็ทํางานอย่างนี้ไปใหม่แต่งานทํำๆนี้พอหลดงานนี้แล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วคนที่ทำงานแบนี้ถึงพูดได้ว่าจึงรู้ว่าเป็นฆาสุดค้าเพราะมันไม่มีงานอะไรต้องทําไม่มีความอยากจะได้อะไรไม่มีความอยากเป็นอะไร ใจมันอิ่นมันพอของมันอยู่กระบอกเวลาเหมือนกระน้ําที่เป็นแก้วไม่มีวันเข้าไม่มีความเต็มที่จะต้องเติมให้มันเต็มเพราะมันไม่คข้อใจที่ทําใจที่ได้รับการชําระจนสะอาดบริสุทธิก็จะเป็นใจที่ไม่มีความอยากคามต้องการอะไร แัะมีแต่ทางอื่นทางพอที่เรียกว่าเป็นปรมาณสุด ข, ขันนี้ท่านั้นไปตลอดเวลาที่ลนะคือการศึกษาเรื่องชีวิตของเราตัวของเราให้เรารู้ว่าตัวเรานี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กายดังนั้นกายเราไม่ต้องไปยึต่อความวันเั้นเรารู้ว่ามันต้องตายมันต้องตายแน่ๆเท่านั้ ไม่ต้องไปตัวมันเพราะเราไม่ได้เต็มหน้าตามันเต็มเหนื่อยกับเครื่องใช้ไม่ใส่ที่เราใช้อยู่ทุกวั น, นเราก็ใช้มือไปไม่เประโยชน์สัตว์ใจเราเมืเ่อถึงเวลาที่มันจะหยุดทํา ง, งานก็ก็ให้มันหยุดไปถ้าเรายังดูแลรักษามันได้ก็ดูแลรักษามันไปื่อเอามาทําประโยชน์ทางทางจิตใจนี้เท่านั้นเอง เมื่อประโยชน์ทางจิตใจของเราได้ครบเรื่อนไปดูแล้วเราก็ทําประโยชน์ให้จากที่ต่อไปถือว่าเป็นงานแผนแต่ไ ม, ม่ถือว่าเป็นงานหลักทาก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้ามีก็ทําถ้าไ ม, มไม่มีก็ไม่ไปหามาทำถ้ามีคนมามาหาก็ก็ทําไปถ้าไม่มีคนมาหาก็ไม่ไปหาคนเพราะอยู่เฉยๆเพราะมัน ส่วนหนึใจอย่างนี้จะไม่มีคนที่ยังต้องพูดต้องแสดงทมเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้นีแสดงว่าใจมันยังไม่พ อ, อยังต้องเทศนาว่ากาญาโยไม่มาก็ต้องไปหาญาดโยอยันนี้แสดงว่ามันมันมันยังไม่พอถ้าพอแล้วมันไม่มีความคิดอยากจะไปหาใครอยากจะไปสอนใคร นอกจากทำตามหน้าที่อย่างพระพุทธเจ้าทรงเล่นญาณตอนเชาน้าจะไปก่อนจะไปดินตะบาร์วันนี้จะไปตรวจไข่ดีก็ถ้าเห็นญนาติคนนั้นคนนั้นมีความท้องทีงท่จะรับธรรมะแล้วก็ชีวิตของเขาอาจจะมีเหตุที่ทําให้ต้องบวชไปในเวลาอันใกล้ก็ส่งไปตรวจเขาก่อนเพราะว่าเหมือนกับหมอเราต้องรักษาคนไขยที่ ที่อยู่ในท่านวิจิตรก่อนเพื่อช่วยคนที่ยังไม่วิจิตรก็ปล่อยเขาไว้ก่อนคนที่ใกล้วิจิตรี้ให้ไม่ได้รักษาเขาได้ก่อนแต่ไม่ได้ตายพวกผ่านอย่างตายเพราะเหตุว่าเห็นว่าพวกที่จารวะได้รับ ก, การช่วยเหลือนี้ถ้าได้ไปลแล้วเขาจะได้ปะโยชน์ก็จะนั่งขอให้เราพยายามศึกษาธรรมะอยู่เรื่อย แล้วก็ปฏิบัติว่าเราจะได้พบกับทางศึกเราจะได้เข้าใจธรรมชาติของเราว่าเราคืออะไรกันแน่และอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงความต้นก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟําจากผู้รู้ผู้ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ นำมาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์ดูนี่วัสันติกโกเป็นคำที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ผู้ที่มีศรัทธาสามารถนำมาไปพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่นี่ก็คือบทที่พวกเรามา เข้าหาทัาษกษะต่างๆเพื่อหาความรู้ในเริ่มต้นเพื่อที่เป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติยล้วก็จะได้ปฏิเวทก็คือจะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติอันนี้มันเป็นสูตรตายตัวเป็นอาการวิโกไม่มีวันเสื่อมไปจากโลกนี้ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้า หรือภาษาลมาสอนพระสอนพระธรรมคาสอนก็จะสอนอย่างนี้สอนปริยัติปฏิบัติว่าปฏิเวสจะมินปฏิเวสนี้จะไม่เกิดจากการอยากได้ของเรามต้องเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะต้องเกิดจากการศึกษาหรือปริยัที่ถูกต้องถ้าการศึกษาไม่ถูกต้อง การปฏิบัติก็จะไม่ถูกต้องปฏิเวศก็จะไม่เป็นผลที่ถูกต้องก็จะได้ผลที่ไม่ใช่ผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกขางเราได้กันพฉะนั้นก็ขอให้เรายึดแนวทางนี้เอาไว้เป็นการดำเนินชีวิตของเรายามจิตใจของเราจะ มีแต่จะเรินก้าวหน้าเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมากขเรื่อยๆยะมีความทุกข์น้อยลงตามกาบเวลาจนหมดเส้นตาได้แล่นอนเมื่อของหยุดพักเหนือยเมื่อที่ประเทศไหนฟังทุกขันทุความเครียดต่างๆนี่แหะนคือความสัมพัของพระพุทธเจ้า นั่นเหตุของความเครียก็คือความอยากในการดับความเครียดนี้ก็คือดับความอยากตับความอยากอย่นเองอยากดึงเบียก็ไม่ดึงมันมันก็หายเครียดอยากไปเที่ยวงมนไปเที่ยวมันก็หายมันก็หายอยากรวยก็ตัดหมือนกนไม่รวยไม่รวยไม่รวยก็ได้นี่หายแล้วก็เลยอยากตับอะไรทำไมอยากแล้วมันเทีียดมันคุ้มค่าที่ไหน ก็ไม่เพี่ยนด้วยกันอยู่อย่างนี้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรกินแลก็นอนสบายโอ้ถึงนอนก็หลับแล้วนังน้ำไม่ถึงสามก็หลับใช่ไหม ในเยทุกอย่างอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ความอยากความอยากทาให้เกิดความเครียดความความดับความอยากด้วยปัญญาคือให้เห็นว่าไม่มีอะไรน่าอยากเพราะไม่มีอะไรเป็นความสุขเป็นทุกข์ทั้งนั้นพอนเรารู้อว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเป็นเอเป็นของที่มีคุณข้า แต่พอรู้ว่ามันเป็นลูกระเบิดนี่เราจะเก็บไว้เไหมคนก็ส่งของมาทำกระชมเสียงว่าระวังของมีค่าที่ว่าเป็นทองคําพอเปิดขึ้นมาเหนเป็นลูกระเบิดนี่เจะเกดบเอาคำถามพวกเราเคยแล้วไ่ยอเปิด เ, เราเชื่อเขาพอถ้หวอเป็นทองคำเราก็เลยเก็บได้เลยพอมันระเบิดขึ้นมาเราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็น มันมั น, ม, นมาจากไอ้ตัวนี้เวลาเราทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าเราทุกข์กับไอ้ตัวนี้แต่เวลาเราได้มาเราอยากได้เราก็รู้ว่ามันเป็นทองคําแล้วเราก็มาเพี่อจากไอ้สิ่งที่เราอยากได้มาเนี้แเราไม่ได้เพื่อเพื่อจากอะไรอะไรทั้มานเนี้ยเราก็เพียดกับสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ไหมสิ่งที่เราได้มาแล้ คำสอนตัวคำสอนนี้ก็ตั้งอยู่บนท่าอร า, ารยศักดิ์ศีที่ตอนแรเราทำบุญให้ท า, ารักษาศีลภาวนา น, นี้ก็คือมรรนี่ยมรรก็คือเครื่องมือที่จะตัดความอยาลกละความอยากคืออยู่ดีๆจะบอกว่าไม่อยากนมันพูดได้แต่ทาไม่ได้ต้องมีเครื่องมือ เคือก็คือทางสีแต่ตัวที่สําคัญจริงๆก็คือตัวสมาธิหน้ากันอย่าวเพราะสมาธินี้จะหยุดความอยากหน้ า, าทางจับสีนี้ก็เพียงแต่ล้อมกรอบมไว้ล้อมคอบมันไไม่ให้มันขยายตัวออกไปกว้างเวลาเราให้ทางนี้เราก็จะตัดความอยากล ง, ง ถ้าเราให้แล้วเราจะอยากเอากลับมาทำไมใช่ไหมเราให้เราไปแล้วเราก็ไม่อยากจะได้คืนแต่ถ้าเราอยากจะเก็บเอาไว้เนี่ยเราก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นนั้เราให้ไปเรื่อยๆของที่เรามีที่เราไม่ได้ใช้เอาไปต่อไปเราก็จะไม่อยากได้ของที่มันที่เราไม่ใช้เงินที่เราไม่ใช้เน่าให้ไป เอาไปเราก็ไม่อยากจะมีเงินเจ็บไว้เพราะเราเียบไว้มันก็เราเอาไปให้อยู่ดีมันก็มันก็เป็นการการล้อมล้อมข้อของความอยากให้มันอยู่ในกรอบศีลก็เหมือนกันมันก็ล้อมล้อมข้อของความอยากจะหาอะไรมาก็ต้องหาในกรอบของศีลธรรมไม่โกหกหลอกลวงไม่เช่าโกงไม่ทําร้ายผู่น เพื่อให้ได้เสียงที่กัวเองยากจะได้มาความอยากมันก็จะอยู่ในกรอบแล้วพอมัอยู่ในกรอบแล้วเวลาเราจะหยุดมันด้วยสมาธิมันก็ง่ายแล้วพอทําให้มันหยุดด้วยสมาี่ได้มันก็เหมือนกับถูกถูกตีที่ศีรษะให้มือนไปเพอาะจากสมาธิเราก็ใช้ปัญญาตัดคอมันได้เลย พอมันจะไม่มีแรงต่อสู้เวลาความอยากเวลาจิตออกมาจากสมาี่ใหม่ๆความอยากจะไม่มีกาลังพอเราพิจารณาให้เห็นด้วยใจว่าเป็นปารักนี้มันก็จะตัดได้เลอกได้เคยดื่มสุราเคยอยากได้แล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วจะรู้ว่ามันไม่มีคุณค่าราคาไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการไม่อยาก เพราะตัดเพราะนี่มันก็เบาใจสบายใจที่ห่งไม่ต้องยึดตกกังวลแล้วมจะได้หรือไม่ได้เวลามีความอย่ากนี่มันต้องเคียดมันต้องรอรอดูว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าอยากจะได้ตำแหน่งนี้ก็ ต, ต้องรอแล้วดูว่าจะได้หรือเปล่าอยากจะได้คนนี้มาเป็นคู่ครองนี่ก็ต้องนั่งรอแล้วจะได้หรือไม่ได้ พอได้มาแล้วก็มาดูว่าไอเขาจะอยู่กับเราไปตลอดหรืเปล่าเขาจะดีกับเราไปเสมอหรือเปล่าถ้ามีความอยากมันก็จะมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆมีเรื่องให้เพียนอยู่เรื่อยๆพอเราตัดได้แนละ้วพอเราเห็นแล้วว่ า, วาความเคลื่อนนี้เกิดจากความอยากเราก็ไม่เอาเลยไม่อยากไดนะ้อยู่คนเดียวดีกว่าไม่มีอะไรก็อยู่ได้ อยูตามแบบพระพุทธเจ้าเลยอยู่ตามแบบครูบาอาจารย์อยู่ตามบบาาาต้องขยันต้องพาวราเป็นต้งเดินจงกรมเกินต้องนั่งสมาธิเกินต้องถืองานนี้เป็นงานของเราเลยงานประจำวันเต็ขึ้นงานก็นั่งสมาธิเดินจนกรมพอถึงเวลาต้องไปทําอาหารลพทานก็ไปทํามหารารลพทานเสร็จ จบเกี่กับเรื่องของทางร่างกายก็กลับมาทางทาทางานทำกจกรรมาอย่งจกรมมานั่งสมาธิศตร์วนี้ไปเถิรับรองว่าไม่นานไม่เกินจุตีอย่างที่ก็พุทธเ้าทรงพยากรณนะต้องได้เหนอยงนนอพพเจาชี้ทางให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้ว ไม่ไมมีอะไรที่จะชัดเท่า<ะ>กันนี่แหละเดินโยกรมนั่งสมาธิท่านนี้เดิจโยกรมก็จะจะเรียนถ้ายังไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิก็จะเริสยสจิตก่อนยึดจิตให้อยู่ในปัจจุบันก่อนอย่าให้จิตลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดในอดีตเรื่องในอดีตอย่คิดในเรื่องในอนาคต ให้คิดอยู่กับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ให้รูงเฉยๆอย่าไปคิดถ้าไม่จําเป็นต้องคิดถ้าให้รู้เฉยๆว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินถ้ามันจะไปก็ท่องไปได้เ้าซ้ายขวาซ้ายขวาข้าวขาข้าวตะวับซ้าวขาขวาตะวันขวาข้าวขวาข้าวขวาคับนี้จะใช้พูดโทพูดโทไปก็ได้เวลาเดินรกลมๆ พ อ, อเมื่อเหนืไอยอยากจะหยุดก็ไปนั่งก็พิชโทรต่อถ้าใช้พิชโทรก็ิชโทรต่อถ้าเมื่อ้าเหนื่อยอยากจะหยุดพิชโทรกด็ดูกดูลเข้าดูลให้ดูแต่ลมอย่างเดียวนไปคิดอะไรถ้ามีสติจดจอต่อเนื่องไมา่นานห้านาทีสินาทมันก็จะสงบพอเวลาสงบแล้วก็ฝ่อยมันสงบไป เป็นต่ามันจะถอนออกมา้ยอย่าไปดึงมันออกมาอยากไปปลุกคนที่กําลังหลับว่าปลกคนที่หลับคนที่นอนยังไม่พอยังไม่อิ่เพอเป็นขึ้นมาเขาจะงุบงุบหลังทางจปล่อยให้เขนอนให้หหอิ่มแค่พอแล้วให้เขาต่นขึ้นมาเลยแล้วเขาจะมีความสดชื่น บ, บางมีกําลังบังชาที่จะไปทํางานงต่างๆได้ จิตเวลาเข้าศสุนาที่สงบนุ่ง ไ, ไม่คิดตึงตังประโยกใหญ่ขาสัตว์ว่ารูต้องปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นไปนจนกว่าทขาจะถอนออกมาเมื่อเ้าถอนออกมาแล้วตอนนั้นเราก็ลุกขึ้นมาดงตรงกลมๆต่อถ้าเราไม่อยากจะนั่งสอนแล้วก็าุกขึ้นมาเดินถ้าเราอยากจะนั่งก็พิจารณาได้พิจารณาอะไรก็ได้ที่เราอยากจะพิจารณาถ้าจะมีเวทนาเราก็จะพิจารณาเวทนาก็รา เรื่องมีความเจ็ดของน้าตกายก็พิจารณ า, รารว่ามันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นของมันเองมันมีเหตุดูปัจจัยของมันที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังครั้งได้เหมือนกับฝนตกนี่นี้มันตกลราก็ปล่ายไม่ตกไปเราก็นั่งของเราไป เนื้าธรรมนู้นมันเกิดขึ้นเราก็รับรู้หนึ่งไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นของมันไปถ้าเรารับรู้เฉยๆไม่ไม่มีความอยากที่จะให้มันหายใจและอยากจะหนีจากมันไปใจของเราจะเป็นอุเบกขาจะสงบจะไม่มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไปอยากให้มันหายหรออยากจะหนีจากมันไปมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ที่จะทําให้เราทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ว่าความเจ็บช้ำร่างกายมันไม่ยืนได้เหมือนกับทางทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากการนั่งนี้นั่งเวลาเจอทุกข์ข้อไม่ทน่างนี้นเพื่อต้องการให้ได้เห็นทุกข์ในวิทยาศาสต์แล้วก็ให้ใช้ปัญญาดับทุกข์ในวิาศาสตร์สนี้ให้ได้ กาพิจารณาก็จะเห็นว่าทิศนี้เกิดจากความอยากหรือความกลัวความเจ็บอี้เองความอยากให้ความเจ็บนีน้หายไปหรือความไม่ชอบความเจ็บนี้กลัวความเจ็บอันนั้นอยากจะหนีจากความเจ็บอันนี้นไปอยากจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเราขยับมันก็หายไปชั่วคทางแล้วมันก็จะกลับมาแล้วเราก็ยังจะเจอปัญหาเดิมอยู่ แต่ถ้าเราควบคุมจิตใจพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าวิธีที่จะแก้ความทุกข์ใจนี้ต้องการที่จะไม่ได้ไปแก้ที่ร่างกายร่างกายเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้เราต้องปล่อยเขาไปเหมือนกับเราไปบังคับผนไม่ได้เหมือนเราต้องปล่อยให้เขาตกไปถ้าเขาอยากจะตกร่างกายถ้าเขาอยากจะเจ็บก็ปล่อยไม่ให้เจ็บก็ อาจใจเราต้องปล่อยวางต้องทําำใจให้เป็นอดีตเขาคืออยากไปอยากให้เขาหายไปยอมอยู่กับเขายอมรักเขาถ้าเขามีอยู่ก็ให้เขาองู่อยู่ไปถ้าเขายังไม่หายไปก็ไม่ต้องไปอยากให้เขาหานี่คือการพิจารณาด้วยสัญญา หรือถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะพิจารณาเรื่องกัญญาเราได้ใช้อุบายของสมาธิก็ไ ด, ด้หรือเราก็บริกรรมพุโทโธพุธทเธอไปอย่าให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงความเจ็บของนนร่างกายอย่าให้มีโอกาสไปคิดอยากให้ความเจ็บนี้หายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บนี้ไปเราถูกตากเป็นปากตายไลากทบพุโทโธบริการพุโทโธพุธทเธอพุโทโธไปอย่างเดียว ไม่ให้ไปสนใจกับความจ็บแล้วความเจ็บนั้นจะไม่มาลบกวืนใจเพราะว่าใจไม่ได้สร้างความทุกขึ้นมาในใจเขาไม่มีโอกาสเนื่องจากใจต้องมาบรความทุกโถใจเราต้องให้ใจมีงานทําถ้าเราไม่มีให้งานให้ให้ใจทํานี้เดี๋ยวมันจะไปคิดถึงเรื่องความจดแล้วก็อยากจะให้ความจดนี้หาไปมันก็จะทนนั่งอยู่ไม่ได้ นี่กับเวลาเรา ท, ำรทํำงาท น, นที่เราเพลิดเพลินนี่บางทีเราลืมความเจ็บไปเลยเรื่มความผิวไปเลยเวลาทํางานพเพลิดเพินนี่ถึงเวลารับประทานอาหารไม่รู้สึกหิวเพราะใจันไม่ได้อยู่กับความหิวแต่เรลาไม่มีอะไรทําเนี่ยเดี๋ยวก็หิวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินนั่นกินนีมม่ขึ้นมามันไม่ได้หิวทางร่างกายมันหิวทางจิตใจ ก็ทำได้สองวิธีวิธีและวิธีหนึ่งก็คือทาสมาธิโดยใช้การบริกรรมการบริกรรมให้ไม่ให้อยู่เลยใหามันขาดใจตายไปกับการบริกันหรือไม่ใช่นั้นก็ต้องใช้ปัญญาเผชิญกับมันดูมันดูมันว่ามันก็เป็นเหมือนฝนกฝนกมันก็มีเสียงดังใจก็รับยีนเสียงเมื่อมันดัง ในธนามันก็มันก็เป็นอาการอย่างนี้ที่ใจรับรู้อยู่ไม่มีใครไปว่ามันเจ็บเราไปว่ามันเจ็บเลงมันไม่ได้ว่ามันเจ็บเรางั้นเราก็ต้องอย่าไปว่ามันเจ็บมาว่ามันเป็นอย่างนี้มันสักแต่ว่ามันเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นในารที่ใจเรารับรู้ได้ มันไม่สามารถทำอะไรกับใจเราได้แต่ตัวที่ทําใจเราก็คือตัวเกิดตำหาร่้ไหถ้าคือตัวทวามเกิดเหมืนตัวที่เราต้องกําจัดก็คือตัวที่เกิดตำหาไม่ใช่ตัวเวทธรรมยาตัวทางเกิดมันเกิดมันไม่ได้ทางานไปตัวที่ทํานายใจก็คือตัอควคามอยากอยากให้ทํามเกิดทาใจ พิจารณานี้ไปแล้เดี๋ยวมันมันก็จะไม่มีเวลามาคิดอยากให้ทำเสียหาไปแล้วความคิดใจมันก็จะหยุดไปเองพอมันหยุดแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้เจ็เลยเจ็บมันก็อยู่ได้แล้วก็เข้าใจมันเร่มันเป็นอุดัติเหตุนะหลังจากที่พิจารณาไปเรื่อยๆจนในทสุดใจมันยอมรับความจริงนี้ได้มันก็จะหยุดต่อต้าน หยุดหย่ดยาหยาดหยุดให้ความเจ็บไม่หายไปเพอมันหยุดแล้วถึงไม่ความเจ็บนี้ก็ไม่หายแต่มันไม่มาลอบคนใจเพราะตัวที่รลบคนใจนี้แท้จริงไม่ใช่ความเจ็บแต่ความอยากที่มันหายเจ็บใจที่เป็นตัวทําให้เกิดความทำให้ใจนี้ล่ารุ่นขุวเนื้อทุกข์ทรมารถึงจะเป็นวิธีการของการพิดเจอมาทางกัญญา เวทนาเี่มันเป็นอาการแขง็งๆเวทนามันเกิดจากเรื่องที่ร่างกายไปสัมผัสรับรูบ้กับสิ่งต่างๆทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายมันก็จะเกิดเวทนาต่างๆขึ้นมาเช่นเวลาสัมผัสกับ ความรมันก็จะเป็นทุกข์เพื่อทำงาเวลาสัมผัสกับความเยนสบายมันก็เป็นสุกขเพทำงาเวลาสัมผัสกับความเหนาวมากๆมันก็เป็นทุกข์เวทำงานมันเป็นอาการของอันนี้เลยไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นความทุกของทางใจความทุกทางใจอยู่ที่ปฏิกิริยาของใจต่อเวทนาว่าไปมีความอยากหรือไม่ถ้ามีความอยากมันก็จะเกิดความทุกขเวื่อทำงานขึ้นมาได้ทั้งทั้งด้าน สุขภาะะขวาะทั้งยาและทุกขเวททัาเช่นเวลาเกิดทุกเวทนาร่างกาเยเจ็บปวดขึ้นมาการมีปฏจจัริยาอยากจะให้ควาเมเจ็บปวดหายไปมันก็เกิดความทุกข์ทรมารยาใจขึ้นมาใช่ไหมหรือเวลาที่ร่านการมีสุขเวนทนาเช่นมีอากาศเย็นแล้วก็พออากาศเยน็นมีหายไปอากาศร้นเข้ามาแทนที่มันก็เกิดทุกขเวทนาอยากจะให้มันเย็น ก็ต้องไปหาเครื่อง ป, ปั่ประกานมาติดอันนี้มันก็เป็นความทุกขก์ทางใจแต่ถ้าใจนะวางเฉยเย็นก็เยน็นร้อนก็ร้อนใจมันก็จะรื้ทุกข์กับความเยน็นความร้อนความหนวน้ น, นเมธนามันเป็นขนนนันมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามธรรมชาติของมัน ส่วนทุกนี้ที่เราพูดถึงนี้คือทุกทางการทุกที่เกิดจากความอยากสมุทัยคือการมักการหาภาวะการหาและอิภาวะการหาอันนี้เป็นความทุกที่เราดับยากถ้าเราถ้าเราดับการมักกาหาความอยากในรูปเสียงเกิดวัตถุอยากดูอยากฟัาาางอยากดูอยากเนิ่มรดอะไรต่างๆนี่เรียกว่าการมักกาหา อยากร่วมหับนอนกับคนนั้นคนนี้มีแต่เป็นการละทนหาเพราะว่าตัณหาก็คืออยากมีอยากเป็นอยากมีเงินมีทางอยากน่งรวยอยากเป็นมหาเศรษฐีอยากเป็นเจ้านาญอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นภาวะันหาที่ภาะตัณหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่อยากไม่จน ย่งไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายนีย่เียกวะไรปัญหาสาตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์กำลังใจให้แก่จากโลกทั้งหลายถ้ามีธรรมะมีมรรคหรมีทางศื่อภาวนาก็จะสามารถดับความอยากที้สามเหล่นี้ได้หน้าที่ของ่เราก็คือต้องส ร, รา้างทางศื่อภาว น, นาขึ้มนรรมนาให้ได้ เหมือนกับเวลาลอย่างแตกนี่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือแล้วก็เปลี่ยนย่างไม่ได้เราต้องมีแน่แม่แรงมายกรถให้หลอยขึ้นแล้วก็มีตะว่าหรือมีเครื่องมือมาถอดน็อออกไปแล้วก็เปลี่ย น, นจะจะจะเปลี่ยนยางโดยไม่มีเครื่องมือทำเองไม่ได้จะจาละผ่านยาทั้งสามนี้ด้วยด้วย เพื่อตัวคนนั้นเองไม่ได้เราต้องมีเครื่องมือที่ต้องจะจามอดเท่ากับพวกนีก็คือทานถีงภาวนานี้ย น, นี่คือมัดที่ท่านบอกว่าต้องเจริญให้มากต้องเจริญให้สมบูรณ์ถ้ามัดสมบูรณ์แล้วมันอตัญหาก็จะละได้อย่างสมบูรณ์ละปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ นิโรธก็จะปรากดขึ้นเต็มที่ทุกก็จะหายไปนี่คือหัวใจของพรุทธศาสนาหัวใจของการปฏิบัติอยู่ที่ทุกขสมุทัยนิโรธมากเลยเวลาจะวัดถึของการปฏิบัติแค่วัดที่ที่ทุกขสมุทัยนิโรธมากเลยมกักมีมากขึ้นนิโรธมีเพิ่มมากขึ้น หรือว่าทุกข์มีเพิ่มมากขึ้นปัญหาสมุทัยมีเพิ่มมากขึ้นมันจะสวนทางกันถ้าสมุนทัยน้อยลงทุกข์ก็จะน้อยลงมรสมุนทัยจะน้อยลงก็มรจะต้องมีมากขึ้นมิลก็จะมีมากขึ้ น, นตามตามกำลังของมรอย่า ง, งนั้นก็กลับมาอยู่ที่เดิมอยู่ที่ว่าต้องทําทางให้มาก อาษาสิ่งให้มากแล้วก็ภาวนาให้มากไม่มีใครทำให้เราได้ปัญหามอยู่ตรงนี้ถ้าพวกพี่ยาาทำให้พวกเราได้พวกเราก็าสบายกั น, นเลยหรพอคหัวกันทีอจะไปถึงที่ทาน ได้ยามพูดถึงเรื่องของแก้เวทนาด้วยสองวิธีน<ม>วิธีสมาธิกับวิธีการพิจารณาถ้าเกิดเราใช้วิธีสมาธิก็เข้าใจอยู่แต่ว่าถ้าเกิดไปใช้วิธีภาวนาพิจารณาเนี่ยพี่กําลังสมาที่ไม่พอเนี่ยมันมันไม่ได้ผล ไ, ไ, ไม่มีกําลัไม่ได้กาลังพอที่จะไปรับรู้มันที่รับรู้มันยอมรับมันหรือเบลเบคือความยากเพราะมันมันจะมีแรงมาก สมาธิถึงสองข่าในทางที่จะจะแสดงทางธรรมเพราะฉ ะ, ะนั้นถ้าเกิดเป็นในรุ่นต้นนี้ถ้าเกิดเรากําลังยังไม่พอเนี่ยเราก็ใช้วิธีสมาธิไปก่อนต้องใช้สมาธิไปก่อนจ<ม>นกว่ากําลังในาจะเพียงพอพอเราสามารถใช้ใช้สมาธิดับดับดับ ทุกก็ไม่พเน่าไม่ได้ดับทุกข์น่าดับทุกข์ภายในใจได้ชั่วคราวก็ดับความคิ่สืแต่ของสังขารไม่จงไปทางสนะ่งท้ายได้ผลก็สงบตัวเข้าสู่ควาสมสงบแล้วขณะนั้นอกิเลสมันก็จะความอย่างนี้ก็จะถูกเหมือนกับถือนมยาสงบก็แล้วออกมาจากออ ก, กมาธิด้วนนีนน้มันจะไม่มีกําลังหนุนเมื่อกอกาะ เวลก็มาเจริญปัญญาต่อแล้วก็เราก็มาเดินโยกลมก็ถ้าเรายังนั่งนั่งไม่ไหวล้วก็ไม่เท่าได้ระหว่างที่เดินโยกลมตรงนี้ใช้พิจารณากพิจารณาอะไรก็ได้พิจารณาร่างกายก็ได้เอราะตอนนั้นเว่นาของไม่เกิดโอพิจารณาเวทนาความที่มันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดตัวคือพิจณาได้แต่มันมันมันยังไม่เป็น เป็นเป็นของจริงมันก็ไม่ได้ขึ้นคอนเทนต์สัญาเนื่องจา <S <S <S เาพื่อนเราว่าอความทิดของเราเกิดจากความที่เราเไม่อยากรึออยากให้ความเจ็บหายไปต่อตอนนี้เราต้องอยากพยายากให้ความเจ็บหายไป <S <S <S นั่งแล้วปวดแค่มื่อปวดตาเราจะเราจะสู้กับมันหรือเราจะไม่จะ้สู้กับมันเราจะรับมันเราจะปล่อยให้มันเป็นของมันไป เราจะปล่อยวางมาันเราจะไม่ไปยืมเขามันจะเก็บก็บปล่อยให้มันเจ็บไป mm hmm. เราเราจะควบคุมใจของเราไม่ให้ไปอยากให้มันหาย mm hmm. นี่คือมีด้าจะนี่คือย้อมเจ็บตีเหล็วก็คือขัดชอบมันดี mm hmm. ขัดชอบความเจบดีก็แค mm hmm. ่นี้เราไม่เกิ คนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเนี่เวลากินเผ็ดมันจะทรมานใจถ้าหาชอบกินเผ็ดอย่างนี้กินไปเรี่อยๆ่อไปมันก็ชินมันก็จะไม่รู้สึกทรมานใจเพราะคนที่เขากินเผ็ดได้เขาไม่ทรมานใจเพราะเชอบเลยชอบเผ็ดเวลากินเผ็ดเขาก็ไม่ทรมานใจแต่คนไม่ชอบเผ็ดเวลากินเผ็ดมัน เพราะงั้นเวลาเรานั่งนี่ถ้ากอกว่าขนาดที่ยังไม่เจ็บนั่งจนกว่าจะให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็พอมันเจ็บก็ชอบมันชอบหมด <c oughs> อย่าไปเจ็บเอยพอชอบแล้วก็อยากจะนั่งไปนานๆนั่งไม่อยากจะใ ห, มห <c oughs> ้มันเห่าเนี่ย <c oughs> กำลังไม่พอมันก็แพ้มันนะครับก็เขาชอบมันไปเทียนนิดเดียวเลอพอมันเจ็บก็อยากรีบยกแขน พยายามหรออาฉันชอบเลย น, นะอยู่ไปใหม่ๆก็ชอบมาได้เพิชั่วโมงฮะคนเลยชั่วโมงนี้ไม่ชอบแล้วเลยก <c oughs> ็ไม่เป็ น, นอะไรเขาเนี่ยก็เพิ่มเป็นชั่วโมงเพิ่มอะไปก็ชอบเรื่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราสามารถเปลี่ยนความไม่ชอบด้วยความชอบได้กลับไปใจเราก็จะวางใจได้กลัววบไปแล้วก็ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้แต่ตอนนี้เราแต่ไม่ชอบอย่างเดียวเนืไม่มีทางเรือก เราไปเราก็สร้างทางเลกใหม่ให้กับใจอยากไม่ชอาก็มาชอบหน้าพอพอชอบได้แล้วทิ้งแล้วก็กลับไปจวเฉยวได้ทำได้นีคนหนึ่งเขาจะทําได้ก็ทํำด้วยวิธีนี้นนคือเราก็ต้องเกลียดเทีย่ยงที่ร้อยก็ขออย่างเดียวกันทําไมคนอย่างเขามีความสุขทําไมอีกคนจะมีความสุขกัน <c oughs> เพิ่มนยังกินเผ็ดต้องมีความทุกข์มคนยังจึนกินเผ็ดต้อมีความทุกข์ร่างกายก็เหมือนใจใจก็เหมือนกันต้องไปต่างกันไปไหนนั่นก็ไปต่างกันเราที่ชอบหรืไม่ชอบนะคนชอบก็มีความทุกข์คนไม่ชอบก็มีความทุกข์ในทางตรงกันข้ามถ้าความเผ็ดหายไปให้คนชอบเผ็ดก็เป็นความทุกข์ขึ้นมกินแล้วไม่อร่อยนะแต่ไอ้คนที่ ไม่ชอบกับมีความสุขนะแต่ถ้าคนที่ชอบแล้วไม่ชอบด้วยทั้งสองอย่างนี้ก็จะมีความสุขตลอดเลยนะ ไ, ไหนก็ได้ยังไงก็ได้ไม่ไมคือจุดที่เราต้องการพาใจให้เข้าไปสู่ตรงนั้นใหยิบตรงยังไงก็ได้ไม่เป็นไรให้ข้องขอาเท้านี้ไว้เวลาเราอยู่ในเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้ไม่เป็นไร แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นเราเข้าไปในเหตุการณ์นี้เรามีเป้าหมายของเราแล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นนี้ขึ้นมาก็เครียดแล้วจะ <c ười> ไปดูตีลาไปเชียทีของเราต้องชนะนะพอแพ้ใจผอแล้วใจไม่สบายขึย้นมาแล้วเนี <c ười> <c ười> ่ยไม่ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ใดถ้าเป็นนักปฏิบัติทางต้องใจเป็นการเข้ายังไงก็ได้ไม่ตัดไฟ ผู้ใดได้ทั้งสองฝ่าแ ด, กดแงก็ได้เหลืองก็ได้เขียวก็ได้ยังไงก็ได้พวนในที่สุดมันก็แค่ตายนะในที่สุดก็ไม่ได้เลยรไปสักอย่างแล้วตายกไ็ได้ไอะไรบ้ า, า, ไไ เ, าเอาอะไรก็ได้บ่าก็ได้แต่ใจที่ยังมีรักมีชังมีทุกข์มี อะไรต่างๆอีกแต่ถ้าฝึกใจให้มันยังไงก็ได้มันก็ตปอย่างสบายอยู่ก็ได้ไปก็ได้เจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้เป็นการเป็นการฝึกใจให้ให้เข้าสู่ความเป็นการความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงคือให้เป็นผู้รู้อย่าเปเป็นผู้ คู่คูนเล่นคนเล่นหุ้นกับคนดูหุ้นนี่ต่างกันคนดูหุ้นแล้วก็ดูแต่วันนี้หุ้นตัวไหนขึ้นหุ่นจะไหนลงเขาก็ดูแล้วก็รู้ไปทเฉยเฉยแต่คนเล่นนี้มันไม่เฉ ย, ม, เยมีัมนาอ่มัมีได้มีเสียด้วยเราอย่าไปเพื่อรู้นี้จะไม่ได้ไม่เสียกับเราพรเจ้าสอนอย่าให้สักแต่ว่ารู้ก็คืออย่าไปได้อย่าไปไะได้ไปเสียกับอะไร อย่าไปมีได้มีเสียกับอะไรให้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่อย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เ้าไปแล้วออกไปแล้ว รู้สึกว่าเรากจ็บแตไม่รู้สึกทั่งหลายแล้วพอจเจ็บถึงมันแล้วก็วไปอยู่ที่นี้ถ้าก็ไม่รู้สึ ก, าากสว่าอยากที่จะให้มันเก็บอย่างนีเจ็บไม่สุดใจเลยในการที่จแรกอะหนืองไม่ทราบว่ามันมันคืความอย่างเราต้องพยายามที่จะให้รู้ไหมคะไม่ต้องรู้ก็ได้ถ้าจับได้แล้วทําเพื่อให้ใจของเราอยู่กับมันได้ไม่รังเกียจมันไม่รักมันมันมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ใหมันไป ถ้าเรารักเวลามันจะเราก็อยากจะให้มันอยู่กันมาถ้าเราเกลียดมันเราก็อยากจะให้มันหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเฉยๆยังไงก็ได้อยู่ก็ได้ฟังก็ได้อย่างนี้ก็สำคัญจะรู้ว่าเรามันก็จะไม่ต้องรู้ว่าเราอยากหรือไม่อยากขอให้เรารู้ว่าตอนนี้เราเราอยู่กับเขาได้หรือเปล่าเราหัวเขาหีือป่า เวลาเข้าไปเราจะเสียดาหรือเปล่าเวลาเข้ามาเรางอแงเสียวทขารึเปลคือใจเราอย่าไปเสียดาอย่าไปรังเสียจกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาก็ปล่อยเข้ามาเช่นเวทนาทุกเวทนามาก็ปล่อยมันมาเราจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปสุขเวทนาก็แบบเดียวกันเขาจะมาเข้ามาเวลาก็จะไปก็ปล่อยเขาปล่อย เพราะเขาเป็นใตรักเขาไม่เขาไม่แน <th Mile> ่นอนเขาไม่คงเส้ของวาเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยขังห้านี่เป็นใตรักอย่างร่างกายเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นใตรักใช่ไยมันมีเกิดแก่เกิดตายเป็นธรรมดาเศตนาญก็มีการเปลี่ยนงเป็นธรรมดาสัญญาสัขารี่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตลอดเวลาเราดูแลก็ปล่อยวางคอย แน่นค่ะเดี๋ยวเวลาเราที่เราเคยนั่งแล้วเราก็ดูเด็กคนานะคะที่เราเห็นมันแยกกันสามส่วนได้ตอนนี้เวลาเราหัวกระล้มเนี่ยเราจะเท้าเราก็เกียบเข้าในตู้มันก็เกี่ยวมากนะคะแลแ ต, ตอนนั้นเนี่ยสติมาตู้นี่สติมาตู้มันก็มันมันก็เห็นขาที่เจ็บแล้วมันก็มีจิตผู้รู้มันก็จะบอกว่า ร่างกายก็ไม่ใช่เราคขาก็ไม่ใช่เราก็ไม่สนใจมันคือแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้ความเจ็บเนี่ยมันก็อยู่ส่วนความเจ็บแต่ใจเราไม่ได้เจ็บตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาเป็นปัญญาเหมือนถ้าใจไม่เจ็บมันก็เป็นปัญญาเพราะมันอยู่ในเหตุการณ์จริงใจก็ไม่เจ็บแต่ว่าเรารู้ว่ามันเจ็บแต่ว่าเราแต่ตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นสัญญา เพรอตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ตอาได้อยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วใจเราเฉยไม่เกี่ยวกับความจริง า, าั้นความก้าวม้าวไม่เป็นปัญญถ้าคนไม่มีปัญญาก็าจะร้องไห้ขึ้น่าหรือจะกลัวหรือจะโกรธางอะไรขึ้นมาข้าอยากให้ใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นถ้าใจเป็นปกติเหมืนกั นหมอกับก่อนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นกับขณะทีเ่เกิดขึ้นเป็นเหมนการที่แสดงว่าใจมีปัญญาใรกล่อมวาใจใจเป็นอุเบกขาใจไม่มีปฏิจริยากับเวทนากับกับรูปรขังกับไ ม, ม่ธรคมดาใจรู้คิดนะฮะนี่ก็เป็นสังฐานก็่ค<ๆ>ิดเฉยแต่ไม่ได้คิดไปในทางสมุทัยไม่ได้คิดไปในทางที่อยากจะ ไม่หายเล้ว่าคิดโมโหตัวเองว่าอะไรต่างๆนี่เสียใจทําไมเราต้องโดยมานจะเจ็บมันเจ็บตัวแล้วยังมาเจ็บใจโมโหตัวเองบางคนว่าท่านนี่จะเป็นการทํางานของขางขางเป็นเป็นสมุทรไทยทั้งฐานปรุงไปทางสมุทรสัญญาก็ปรุงไปทางสมุทไทยปรุงแปลว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายเราเจ็บเวทนาเป็นเราเราเราเป็นเวทนา มันก็เลยมันก็จะทํางานเป็นทลมนไปถ้าถ้ามันไปทางสมุทรไทยมันก็ไปทางสมุทรไทยเหมือนกันทั้งทั้งสัญญาทั้งทั้งขารทั้งสัญญาสังขารนี่มันจะนักจะไปชื่อกันถ้ามันไปทางนักมันก็จะไปทางนักด้วยกันถ้ามันมองว่าเป็นเป็นดินน้ำบุญไฟไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็จะไปทางนักมันก็จะไม่ไปคลีนไปทางสมุทรไทย อยู่ที่เรามองสัญญานี้เป็นตัวมองมองว่าเป็นอะไรเป็ญเาหรือไม่ใช่เป็นเราส่วนใหญ่เราจะสัญญาเก่าของเราจะมองว่าทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราทีนี้ที่เรามาเจริญปัญญานี้เพื่อจะปลี่ยนสัญญาเป็นเว่าเป็นจากการมองทุกอย่างครับเป็นตัวเราของเราให้มองว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราพอมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราสังขารมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปทางสมุทรไท พอมันเป็นตัวเราของเราสังขารนี้นก็จะเปลี่ยนไปทางสมไทยถูกต้องนี้เข้าใจนะอตอนนี้เราต้องเปลี่ยนสัญญาณใหม่ถ้าเ ป, เป็นเครื่องคองก็เปลี่ยนโปรแกรมใหม่โปรแกรมเดิมมันเป็นของเราตัวเราเปหมดทีนี้เราจะเข้าไปแก้ไอ้ไอโค้ดที่มึงเขียนใหาตัวเรานี้รลบทึ้งเลแต่ตัวเราต้อง ตอนตัวไม่ใช่เราไว้ข้างนั่นตอนเขาไม่ใช่เรามันก็ปลอดมันก็ปลอดตอนนี้ใช่เราไม่ใช่เราก็ปลอดไม่ใช่ของเราเราก็ปลอดแลฉะนั้นมันไปยุ่งกับของชาวบ้านก็ได้บ้านชาวบ้านก็จะเป็นอะไรนะไม่ไปไปซ่องให้เขาหรอแล้วก็ปลอดเราก็ต้องรู้ทุกอย่างว่าเป็นเนของคนอื่นไม่ใช่ของเรามันก็จะปลอดปอดมันก็เป็นมักเป็นมากไป พอพอนักทำงานก็นิรโรธถ้าเกิดเข้าความทุกข์ก็ดับดับความดความมันก็เฉอมันก็เป็นสัตแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าอันนีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรู้ว่าวิทยานิพนธ์เราไปเตะทับกับความเจ็บขึ้นมารับแล้วทัครับเรื่ยงนั้นก็ลดเดือนไปแล้วหายไปแล้วก็รู้ตามตามทีมอย่างเวลาเราปฏิบัติแล้วก็ ที่มันเหมือนแบบอกฤิ์นั่งค่ะคูลงไปแบบนี้เ่จะกดตอยงนึ่แล้วก็จิตนี้เราคึไม่ต้องมาวนาใช่ไหมคะแล้วคือไม่ต้องปฏิบาตอะไรก็จะอยู ead, like ่นิ e ่งๆแล้วก็มันก็แบบว่าเฉยๆสุขแมันมันสุขแบบไม่ใช่ิตใจคะตรงนั้นเนี่ย ในอูเบคากับเอกาตาหรือว่าอะไรก็ตามอะไรให้ก็มันก็อยู่ใน น, น, นนั้นค้องกันอเบคาคือการนันั่งไม่มีอารมณ์ักชันมันมนก็สัตว์แต่ว่ารี้เป็นคว่าเอกตาเลก็กกคือรู้อย่างเดียวรู้แต่ไม่ ไ, มได้รู้รู้แล้วก็มีการปุงแต่งตามามทางเลยมัน้นเฉยๆแต่แต่ว่านี้มันมน่งมันสง มันเหมือนลิฟต์เรลาวิ่งมาแล้วก็หยุดเหมือนถึงชั้นที่เราจะลงนี่มันก็แบบเวลาวิ่งไงมามันก็ไปลงโอ้ได้ก็หยุดนี่จิตก็เหมือนกันนะจ็บมันลงรับสัมผัสก่อนมันก็จะลงลงลิฟต์ลงเร็วแล้วก็หยุดพอถึงชั้งที่มันหยุดมันก็หยุดแล้วมันก็จะมันก็จะรู้เฉยๆมันจะมีความรู้สึกเบา อ, อกบาใจสบาอกสบายใจ บางนก็อาจจะมีปิติกกมีอะไรแทรกเข้มาด้วยก็ได้น้ำตาหลาของเลือดแอะไรต่างๆมันก็เป็นช่วงช่วงเยอะวๆแล้วก็ววหาไปแต่มันมันจะมันก็จะลิ่งเฉยจะมุดเด็เดกถางไปจนกว่ามันจะถางออกมาฉนั้นเรียกว่าสมาธิที่ถูกต้อง แต่ถ้าสมาธิที่สงบแล้วไม่ไม่ยิ่งเฉยๆออกไปรับรู้เรื่อง ต, ต่างๆอันนี้เป็นเป็นเรื่องของวิชาสมาธิเนี่ยนะคือไปเป็นไปไปไปเที่ยวเรือไปทดกับกาตยต่างๆอย่างนี้อย่างสมาที่ของคุณไม่แก้วนี่ยเขาเรียกว่าท่านเป็นสมาธิที่ไม่นิ่งเมื่อจิตสงบแล้วจะออกไปในรูงเรื่องราว ต, ต่างๆ นิดๆมากเรื่องเรื่องยินยาณของผู้ที่เริ่มรับกกายบ้างอ้ น, นี้เป็นสมาี่ที่ไม่ดีเพราะมันไม่สนับสนุนปัญญาเพราะว่ามันไม่มันไม่ทําให้ความอยากมันอ่อนกำลังลงเพราะมันไม่ความอยากมันมีเวลาทํทางานอยู่เวลาจิตทำงานนี่ความอยากมันมาทำ ง, งานไม่อยากจะไปนล่ น, นเรื่องนั้นต่ออยากจะเล่นอยากจะเห็น สิ่งต่างๆภายในเพราะออกจากสมาธิอย่างนี้จะไม่มีกำลังที่มาเจรินวิปัสสนามวพิจารณาทำกรรยาเพราะความอยากไม่มีกำลังที่จะมามาต่อสู้กับมักที่เราจะเจริญมรรคจะไม่มีกำลังพองที่จะละความอยากได้เราต้องตีหัวความอยากให้มันหมึนครัก่อนให้มันสลบกัน เวลาออกมาแล้วมันจะไม่มีกำลังเหมือนนกมนั่งมวยถ้าโดนชกนับแต่ครั้งสองครั้งนี้ก็โอกาสที่จะชนะก็จะง่ายมากแต่ถ้ายังไม่ถึงน็อกลงพื้นเขามีกำลังต่อซึ่งกันมากเน้นการทำสำลักที่นี้ก็เพื่อที่ต้องการที่จะนับแต่ให้กับความอยากันกรหา มันก็้เหยียบนิ่งๆให้มันนอนนิ่งนับแปดอยู่ให้นานที่สุดเท่ที่จะนอนได้พอพอมันลุกขึ้นมามันก็วางงอแงอยู่งอแงอยู่เราก็ซัดเข้าไปแค่สองสาหมัดมันก็ล้มลงไปนับสิบได้แต่ถ้าเราเราปล่อยให้มันมันมันต่อสื้อกับเรามันไม่ไม่ไม่ถึงนับแป่ไม่ไม่ลดลงไปหนอนี้มันก็จะมีกําลัง แล้วถ้าเราเผลอเร า, าพลาดมันก็ปอยเราให้เราหนอกได้เหมือนกันเราก็ไม่สามารถที่จะราทางปัญญาจนสาหร็จได้แล้วก็เหมือนกระถูกมันหนักมันก็ยากจะนะอีกความอยากจะลุกจากหนีจากท้อหนีจากความเจ็บก็ยังแรงกว่ามันก็จะใช้ที่เหลือก็ทนนั่งอยู่ไม่ได้มันก็ทำมือ่กอดไปที่แสดงว่ากําลังมันมากกว่าลมหายใจความอยาก คือความสาารถามสามารถที่จะสอนให้เราไม่อยากไม่สามารถหยุดความอยากได้เพราะว่าเราเข้าไปในสมาธิที่ไม่ถูกต้องคอ พ, พอเราอยู่ในสมาธิถ้เาเราไม่อยู่นิ่งเฉยๆเราออกไปกรับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่อยากจะเกิดขึ้นในอดีตก็ได้เรื่องราวที่มันเกี่ยวกับตัวเราภายในใจภายในตัวเราเอง เรื่องราวที่มาจากพันยอกมันก็ไม่เป็นประโยชน์าากันตามเคยมักคือปัญญาเพอหลังาจากที่ออกจากสมาธิแบบนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราลุ้งไปทางนักนี้เราอยากกรสนใจกับสิ่งที่เราจะเห็นรู้ในขณะที่จิตเราสนบกงียบเราเรก็เลี้งกลับมาที่ตัวรู้อยากกระสใจ อย่าไปรักลื้ออย่าไปตามลื้อเดี๋ยวมันก็จะหายไปมันจะสมใจแล้วเราต้องขึ้นมางาไปต่คะไม่เราต้องการให้มันนิ่งให้ว่าให้มันเป็นุดเด็ดค่ะถ้าอเริ่มเริ่มออกมาเร่ออกมาถ้าเรายังถ้าว่า่เพื่ายังอยู่ไม่นานพอเราก็พยยามให้มันกลับเข้าไปมาสำรวจดูลงมาสำรวจโดยการทุกคง ให้กลับเข้าไปแบบถ้าเราที่แรกยังยังไม่สงบพอแล้วเรยังมีกําลังที่จะนน่ต่อไปได้ให้กลับเข้าไปแลแแ บ, หลไไลบแลให้มันสงบให้นานๆจนกระทั mm ่ง hmm. เราก็สบกว่ามันเป็นที่แนละ้วนั่ากายไม่ทนนั่ไม่ไหวแล้วเราก็ลุกขึ้นมาออกจากสมาธิแล้วก็มาเดินเดินไปมาเดินแล้วก็มาพิจารณาการรักต่อ ตะไม่ได th ้ไม่ได้เกี่ยวกับเวทนาเพราะตอนนั้นเวทย์นามันไม่เกิดแล้วก็พิจารณาเรื่องอื่นแทนไปได้เรื่องที่เรายังไปลงยึดติดอยู่เช่นญาติยึดถ้าเรายังยึดติดเรื่องเงินทองเรื่อาติยึดเยอะเนื่องะก็พิจารณาไปถ้าเรยังยึด วิต่อกังวลกับความกลัวความ Rio, กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็มาพิจารณาพิจารณาว่าร่างกายนี้ต่อไปมันจะต้องแก่มันจะต้องเป็นอย่างนเป็นอย่างนพิจารณาเนื้อภาพแต่ดูภาพคนที่แก่เป็นอย่างไรย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าต่อไปแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ดูภาพทั้งคนเจ็บไข้ได้เสื่อมที่เราเห็นในโรงพยาบาลว่าเป็นอย่างไรต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ นี่เป็นการสอนใจให้เตรียมรับเหตุการณ์ก่อนแล้วพอถึงเกิดเหตุการณ์จริงเหมือนก็จะได้ไม่ตกใจมันจะได้ทําหน้าที่ของมันเหมือนกับทหารหรือนักมวยที่ซ้ซ้อมเชือกกระสอบทรายซ้อมชือกเกาะคู่ซ้อมนี่กอนให้รู้ว่าจะต้องโดนอะไรใ น, นในสนามจริงพอถึงเวลาเราเข้าสนามจริงเราก็จะได้ทําหน้าที่ของเราได้ แนาคิดของเราก็คือยอมรับมันไม่ต่อต้านมันไม่กลัวมันใจดีเสื่อมดีกว่าหนีเสียปากจะละเทศเีหมือนกันนีก้ก็หนีก็เท่ากันเนีอย่ไปหนีให้มันเหนืหน่อยดีกว่าดีเสื่อมดีกว่าแล้วไม่เหนื่อยพราะใจไม่เหนือยใจก็ไม่เสื่ มีเงินซื้อกาลังใจกับชาติสุดท้ายอยู่นะถ้าไครยังไม่ได้เท่าพี่เราต้องการก็เอาไปาให้คนที่ไม่ได้ก่อนนะส่วนเท่าที่่หลือถ้าคนทีไ่ได้แล้วอยากจะได้อยู่ก็เอาไปา ไ, ได้คือที่ใครที่ยังไม่ได้นะครับกำลังใจพี่ไม่ไว้หมานช่ไหมายเทคนิคใช่ไหม กำลังใจท่านย้งไม่พอแ่มีมาสามสิบเรื่องครับเอาไปได้เอาไปหมดนี่แหละใครอยากจะนด้านี้ก็มี้านจะต้ใจเปเอาลูกเตอราตัดจบสุชาติเล่นพี่ค่ะสุชาติช้านมีเพีทุกคนนะ แายยุ่งเฉยที่ท่านอาจารย์ทูริสิงยังก็เขียนอ่างนี้ไม่บอกว่าการเป็นผู้ดูของทางโลกกับทางธรรมยังต้องมีความที่็ดูลยู่ถ้าทางโลกมันละเอียดย้ําทางธรรมก็ไม่คุ้นเข้าท่านจารตรวจเสร็จแล้วเส็จแล้วเสร็จแล้วก็การย่าท์ของผู้ตอยไปนายพ่อเดี๋ยวพี่หมัดบุพเพจะให้พี่หมุดตอนผู้ตายก็ถามบอกยากให้ฝากให้คนดีกัน อันนี้เราหวเรารยากของคุณใต้เข้ามาคือสามีเขาคืมานะมอปาเขาแต่เรต้องอธิบายเขาไม่ยอมว่าที่แก้แก้อะไรบ้างถ้าเกิดเวลาเป็นน้องให้เาจะได้บอก้็ถตัวว่าเดี๋ยวคุณมาไม่มีเวลาคุยฝากไปทางนะแค่ยไม่ได้แก้มากเพราะท่านคืดท่านก็เขียนดีแล้วดต กะจบ้แล้วก็ความหมายที่เข้าใจผิดไปีมีอันอย่างเเพราะว่าท่านอาจารทุกวันลูกก็ไปสอบเข้าได้กับทีเถมได้ไหมการเนี่ยันสามวันสมก็มีค่ะ ลูกสาก็สอบติดมหาวิทยาลัยงันที่ก็จะสอบติดเขาก็แต่อัดฉหรือภาษาชาวบ้านตองบเนี่ยขอก็โหว่าถ้าสอบติดมหาวิทยาลัยก็จะถึงสิ่งแต่สามเดอนที่้อก็สอบติดจริงแม่จะถึงวปไม่ติดกันสามเดือนขอความสมไม่มา เขาดุจเพี้ยวเขาต่อไปเขบ่นก็จะไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคนเหมือนเราไปทําสัญญากับคนเพไม่ไม่ไม่ทำตามสัญญาทําหน้าไปทําสัญญาเขาหน่อยเขาไม่เขาไม่รับสัญญาคืิต้องถึงติดใจได้เหรอคะคือบอกเขาว่าไม่ต้องบวนหรอกทำจริงได้ก็ได้อยู่ที่บ่นก็ไม่บวนแต่เรื่องการบวนนี่เป็นการเป็นการสร้างสัจจ์แล้วถ้าเราสร้างแล้วเราก็ต้องทําตามศัจจ์ไว้ ที่ที่ไม่ทำนี้ไม่ใช่เพราะว่าจะกลัวเรื่องบนไม่บน<ช>แต่จะกลัวตัางเสียสัตะ<ช>่ะก็ทำให้เราเป็นคนไม่มีสัจจะเ<ช><ช>้วต่อไปเราจะ<ช>ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเราไม่สามารถตั้งสัจจะได้<ช> ที่เขาเห็นนยคะทานาจารย์คเนว่าเขาโอนสามเดือนเก้าสิบวันใช่ไหคะก็แต่เขาทำาได้เก้าสวันถ้าระวันก็อาจจะสองสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่อยู่ที่เวลาเขานว่าเขากำหนดเงื่อนไขอย่างเงี้ยเาตั้งกันอย่างเงี้ยค่ะว่าสามเดือนก็นั่นแหละเวลาอยากจะได้นะก็ก็ก็ไม่ไม่คิดถึงเวลาจะต้องใช้ทีหลังอย่างนี้มันก็ มันก็ทำให้เห็น ว, ว่าเป็นคนที่ไม่สมนุนต้องสนกว่า <c oughs> ใช่ไม <c oughs> ไม่มีใครที่เขาเข้าได้หรือเสียจากการที่เราจะรักษาศีลนีไ้ได้รักษาศีล <c oughs> ตัวเขเนี่ยที่จะได้หรือเสีย <c oughs> คือเขาคือ <c oughs> ทางหลวงยังเคยพาไปาที่วัดไงคะเขาก็เคยตง่นนแตกเือก่อนที่จะตั้งสตรจไม่ต้องคิดก่อนว่าเราจะทานทานได้หรือเปล่า อย่างที่ต้องมีคำพูดว่าก่อนที่จะพูดอะไรนี่อ่าก็ก่อนที่จะพูดนี่เราเป็นยังไงแต่เวลาเราพูดแล้วคำพูดของเรามันเป็นยังเงมันก็ให้เพื่อนดีกันนะก็เวลาเราจะพูดนี่เราจะพูดแล้วเราจะทำตามที่เราพูดได้หรือ ลังแแต่บอกเขาว่าได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การบนบามันอยู่ที่การเรียนของเราอย่ที่ความพยาามของเราแม่ดีด้วยสิเราใจให้ด้วยไงถือไปด้วยกันมีเพื่อนเป็นด้วยด้วยกันอย่าไปใกล้ป้ามากป้าก็จะให้ผ่อน่ง เอยนิ้งทำานได้สมาธิดีเ่อนชมาที่ที่เรอ่ามอกคนเดียวเลยคนเยอะแยะขณะรอไหวทองคนเดียวแสดงว่าก้าวหน้าแล้วแอบถ่ายรูปไว้แล้วก็หัวร้อกันใหญ่ไม่ได้ใหญ่หามารูดคำโชว์ เดยวใจเป็นธรรมเราเลยคุยธรรมะคุยใจคุยมาายเป็นธรรมเราเัยคนก็ยังมาเยอะเทุกวันเพื่อแบ่งกันมาในตึกแปดอื่นนะกาที่ชาวล้าก็ยจะมีเพิ่มมากขึ้น มีคนที่เขาหานักสูตรเพื่อนี่ได้ฟงเขาก็มาจังอันนี้ก็นี้อยู่กลน่มเน่ยเขาบอกเขาก็ที่เคเป็พ่อาจารย์โสภาโอ้โอาจารย์ก็ดูเขาอยู่แถวเรายอๆนี่เออเขาเลยอยู่ใกล้ตรงนี้อาจารย์โสภาตรงนี้นั่งให้มามา้ามาเพลดเธล เป็นแต่ว่าจะสมหวังก็ไม่สมหลังเลยนะอีกเรื่องอที่ท <Bless ung> ี่แ <nh> ล้วเราพิมทางสมผลมาแล้วดรเราเขามากราบนะนักท่องเทุ่ยวมากบท่านไปชอบมากเพราะนัอเที่ยสมบูรณ์นี่ทำดางนึกให้ลงไข้ง่ายๆต้องีเหตุถห้มันตอบได้มีเหตุผลตลอดพูดด้วยเหตุด้วยผลแล้วเกี่ยวกัวใครจะเชื่อไม่เชื่อ เราไม่เชื่อคดีเราจะได้ไม่ต้องมาคอตับปัญหาเขาพวกผมเชื่ออะไรจะได้เหนื่อยหน่อยทุกทางทางจริงแล้สบายใจไม่มีอ้อมค้องจริงแม่อ้อมคองรับได้ก็เป็นเขารับได้ก็เป็นประโยชน์แถวๆเขารับไม่ได้ก็ช่วยไมได้ อยากไปพืเพื่ออาใจเขาเพือ่อจะต า, ามควาจริงอย่างกลุ่มที่มาเมื่อวานนี้อาจจะไม่กลับมาอก็แล้วเขายังเขายังหวังในลาบเยกั่แลปิดที่ียเขาบอกเขาว่าไม่อยากไปหวแงหความสุขกับเงินทองามันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกขมากกว่า ที่นี่จะเป็นเหมือนทุตุนสถานมากกว่ามันเป็นเหมือนสำนักที่เุดเหมือนสำนักเหลวงตาของหลวงตาเนี่ยมีนถึงสุดทหารหน่ใยหายเข้าไปในนั้ น, นาาแล้วก็ต้อง <c oughs> ต้องอยู่ในกฎในระเบียบเป็นเพื่อแตที่นี้ค่อนข้างที่จะเอกสัตว์หรือต้องปฏิบัติตัวเองต้องสอนตัวเองต้องมีความเคร่งงวกดขางในตัวของตัวเองถ้ามีปัญหาแล้วก็มีคนจะให้คําปรึกษาได้ แต่ตรงนีนมีการเรียกมาอบรมสัสอมอนสอนแบบนี้ยสอนแบบตัวไทยโจมันไทยรักดีก็ได้ดีไทยไม่รักดีก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดีน <c oughs> อย่างนี้เพราะมันอาจจะเป็นรูปแบบของเราสภาพแวดล้รมทำให้เราเป็นอย่างนี้พที่นี่มันมีหลายกลุ่มหลาย หล่ป่าเพื่สามารถที่จะจับรูปแบบห้อยู่ในในกอดได้เช่นอยู่ข้างพระข้นนางล่าเขาก็อยู่นะครับอรูปแบบหนึ่งมันจะไปนนจับไม่เท่ามาก็ขาอยู่ในรูในกรอดของพระปาใช่ไหอันก็ยต้องต้องเป็นไปตามธรรมชาติเราอยู่ในรูปแบบนี้น้็เรา ท, ทาตามรูปแบบ แล้เรื่องเรื่องสาววรวัตรถุนี้ก็ขอทําทางว่าใจว่าไม่ต้องเสนอไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น <c oughs> มันดีพอแล้วถ้าถ้ามีทางจะเป็นแล้วต้องการจะทําอะไรแลก็จะบอกให้รู้ก็แล้วกั น, กน <c oughs> ขอให้พวกเราทําพังมากันดีกว่าทางที่เราทำาาแล้วน่าพอแล้วคือขอให้เรามา เน้นทางด้านสีลเนีน่ยทางด้านพาวนากันก่อไม่ถ้าอยากจะทาําทางก็ไป ท, าทําที่ที่อื่นก็ได้ที่ไหนถ้าเดือดร้อนที่ก็ขาดแคลนที่เขาต้องการก็ไปทำที่มันได้เหมือ น, นกันที่บุญต่างกันที่ตรงบุคคลนี่อยู่ที่กุศลที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทํำบุญด้วยกุศลก็คือความรู้และความฉลมาดด้วยธรรมะนั่นเอง ถ้าเราทําบุญแล้วเราอยากจะได้กุศลเราก็ต้องเลือกคนถ้าเราไม่เราทําบุญเราต้องการแต่ดีคือความสียใจไม่ต้องการกุศลคือธรรมะเราทํำที่ไหนก็ได้ถ้าเราต้องการจะปลดเครื่องเงินทองที่เรามีมากต่างๆเพื่อไปทําประโยชน์แก่ที่อื่นเราไปทําที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราต้องการความรู้เราก็ต้องเลือกคนคนที่มีความรู้เราก็ต้องไป ไปที่ไปที่ตรงนั้นนะไปที่ตรงนั้นเราก็ต้องทำตามที่เขาบอกธรว่ามันน่าจะเกิดในสถานที่นี่มันอดอยากขาดแคลนเามัานจะทำให้เกิดคั้งติเป็นความนับน้อยเกิดความสเรุดขึ้นา ที่ไหนมีควา ม, ม, วามพร้อมมีความมากมายนี้มันจะเกิดก่เลสพันหนังขึ้นมาจะเกิดการแย่งแย่งชิงดีทะเลาะไม่ว่ากันขึ้นมาจะเป็นจุดที่จะเป็นพวกที่เป็นที่พวกที่มีกิเลสพันหนังไปไปรวมกันพวกที่มีกิเลสพันหนังที่ชอบประโยชน์ที่มีความสะดวกความสบายมีความทั้งพร้อมในราบสลารรม แต่พวกที่่ายทางนี้จะไปอยู่ที่มันโกรอยากขาดแคลนเท่าไร ก, กันยังหลวงปู่มั่นท่าไ น, น, นไปอยู่คนเดียวในป่าเชื่อมันท่านบรรลุธรรมที่นั่นคนเดียวอยู่กับชาวป่าชาวเขายินดับาปแลได้แต่ข้าวเหนียวแล้วก็ได้สาระบางวันก็เป็นสาระดิบก็ฉันไม่ได้ฉันต้องฉันข้าวป่าด้วยท่านก็ไม่เบื่อท่านก็ไม่พูด ท่านพอใจกับสภะธาตุแบนี้ถ้าท่านมีเวลาทีนจะได้เจริญธรรมได้จะได้ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เรียนจนตลอดเวลาอยางตอนน่อเนื่ถ้าที่ไหนมีรากสักกาวเลี้ยงเยก็ต้องมาคอยมาคอยจัดการทำลาบจัด ก, การลาบหนัตงต้องให้เลยแต่ก็ต้องจั ด, จดการยากแล้วจะไปเก็บไปที่ไหนจะให้ใคร อยู่ยบอกภาระไม่ให้ท่านอาจารย์ไม่หรอกก็ไม่ใช่ว่าภาระก็ไม่ใช่โยาก็ต้องทําหน้าที่ของโยมั น, นไม่ได้ไม่ได้ว่ากันนี่แต่จริงแต่แสดงตัวอย่างให้ให้เห็นถ้ามันมีมากมันก็เป็นถ้ามีเนื้อมันมีมากจนพังจนเต็มมันก็กลาเป็นภาระกษ์ไแต่ถ้ามันมีพอพอพ อ, พอกระทำจนเต็มมันก็เป็นประโยชน์ มึงบอกว่าถ้ามันพอดีแล้วก็อย่าอย่าไปอย่าไปดิ้นรนกับทางด้านวัตถุมันมันจะทำลายธรรมะทำลายความสงบสนัดควา ม, มายิ่งให